ชีวิตเรามีอายุน้อยมากอิม่ีชา่นเราต้องตาจากโลกนี้ไปทำไมเราจะมัวแต่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำมันเสียเวลาชีวิตทำสิ่งที่ควรทำเสมอสม อ, อันนี้คือควรทำคือการมีศีลอย่างน้อยศีลห้าเนี่ยศีลห้าในวงบอกถึงความเป็นมนุษย์คนเราจะแตกต่างจากสตัตว์เดรัจฉานก็ตรงที่มีศีลห้าเนี่ย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 ไมนอย่างไครก็ตามที่เขามาพบมาเห็นเราเนี่ยเขามักจะชักชวนเราในทำในสิ่งต่างๆท ำ, งทำสิ่งน้นทำสิ่งนี้แต่เราขาดสติที่จะรู้เท่าทันในสิ่งที่เขามาเชิญชวนมาชักชวนเราแล้วก็ทำตามเขาเราก็ไปโทษเขาว่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นไม่น่าจะแกล้งเราไม่น่าจะทำอย่างนี้อันนี้ไม่ยุติธรรม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 การดิสตดูจิตเราสังเกตดูนะว่าใจของเราเนี่ยมักจะคิดไปทางที่เราชอบใจที่เขาเรียกว่าสุขเวทนาหรือบางครั้งมันอาจจะคิดไปทางที่เราไม่ชอบใจเนี่ยส่วนของทุกขเวทนาหรือบางครั้งใจเราเนี่มันเฉยเฉยไม่รู้ว่าเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์เฉยย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 อยู่ปัจจุบันนี่แหละอยู่ในขณะที่มันกําลังเกิดขึ้นเนยขณะ น, นี้เดียวนี้มีไหมสํารวจดูใจเราสิว่าใจเราเป็นอย่างไรมันเฉยเฉยนิ่งๆิ่งว่างๆอยู่อัอนนี้เราก็รู้มันหรือมันเบื่อมันไน่ตอนนี้มันลาคาญ ร, รู้สึกลาคาญมันมีอารมณ์ง่วงง่วงมาแตะอยู่ในจิตใจเราเนี่ยมาพยายามจะทําให้เราเคลิม้มเรารู้สึกเท่าทานมันเราลาคาญ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 อ่าเรา้ตัวแล้วก็เรามีสติแล้วบางทีเราไม่รู้ตัวเราเผลอไปเรารู้ไหมว่าเราเผลอทุกครั้งที่รู้ว่าเผลอเนี่ยเรามีสติแล้วเห็นไหมมีสติคอยรู้ว่าเรารู้หรือเราเผลอนี่มันง่ายมีสองอย่างเห็นหมมีรู้กับไม่รู้คือรู้กับเผลอหรือรู้กับหลงรู้สองอย่างเมื่อรู้เราก็อ๋อนี่เรารู้ตัวนะ การทำอะไรอยู่เยเราเก็บคะแนนสติไว้ละแต่ถ้ามันเผลอคิดไปจิตไปรับอารมณ์โอนี่เราเผลอนะนั่นเราก็มีสตินะมีสติในความเผลอเก็บคะแนนอีกแล้วหนึ่งคะแนนนความเผลอหรือบาีเราเผลอคิดเพรนี่เรารู้ว่ามันคิดเผลอคิดหรือบาีเรารู้ว่าเรากําลังรู้สึกตัวอยู่เราก็เก็บคะแนนความรู้สึกตัวสรุปแล้ว